ได้กรุธิยีอ้างถึงฤดูการนะครับบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้านี้เป็นสาารการหน้าศาสตร์นะครับซึ่งเป็นฤดูอบอุ่นซึ่งดอกไม้จะบานบอกว่าดอกไม้สองข้างทางระหว่างแขวนพิหารกับกบิลพัทสุกแดงหนึ่งฐานเพลินขอเชิญเสด็จไปชมดอกไม้สองข้างทางกันนี่เป็น อะไรบางสิ่งซึ่งปลุกให้พระเจ้าใส่ใจซึ่งเป็นเรื่องอารมณ์สุนทรีข้อที่สองก็คือตามธรรมดานั้นพระสมมาวุิเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นธรรมเนียมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องเสด็จกลับเมืองแม่เพื่อประกาศกิตติคุณของมารดารให้อยู่ชัว่าวก า, ารลาภศาสตรเป็นธรรมเนียมเดิโบราณนะ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 ถ้าท่านที่เคยไปที่อินเดียนีครับเขาคิชกูดเนี่ยสูงผมคิดว่ามากกว่าภูเขาทองความลาชันน้อยกว่าเมือ่อปรนพนบรราแปดสิบพันษานะครถึงฉลามากแล้วจวนปรินิพานแล้วนั้นพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่บนยอดคิดชกูรแล้วลงบินบาบ ท, ทุกวันมันบอกเราถึงอะไรบางสิ่งนะครับในอารมณ์สุนทรียภาพของพระพุทธองค์เอ่อ สุนทรียภาพนั้นคือการได้ลดและมองโลกจากที่สูงถ้าขึ้นนั่งบนเขาพิชิกูรหรือประคันดุกดีบนยอดเขานั้นจะพบว่าสามารถเห็นเวิ้งเขาที่เมือง น, นั้นได้อย่างงดงามยิ่งครับอาจารย์ <S 2> <S 2> <S สุโมกเองนะครับ ทุกครั้งที่ท่าขึ้นมากรุงเทพเพื่อจะสอนธรรมะ ก, กับพวกตุลาการนี่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือแม้ถึงช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลังจากการบรรยายครั้งสุดท้ายวันศุกร์ซึ่งต้องบรรยายอีกในวันจันทร์ท่านนั่งรถไฟกลับสวนโมกครับแล้วเย็นวันอาทิตย์ขึ้นมาอีกผมเคยเรียนถามทาไมท่านอาจารย์ต้องทําให้เหนื่อยนี่ท่านบอกว่ากรุงเทพไม่ไหวไม่น่ารื่นรม แต่ท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อ น, นั่งไปรถไฟสองข้างทางบางช่วงขณะของจิตนะครับท่านบอกว่าผมได้เห็นสระตามธรรมชาติมีดอกบัวงดงามอย่างเจิดจ้าดีเดียอันนี้เป็นเรื่องสนุกมากครับเวลาท่านเล่าถึงความวิเศษของท่านอารมณ์สุนทรีนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสิ่งสวยงามซึ่เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายเพียงแต่ว่าปฏิมากรรมจิตกรรม หรืออะไรเท่านั้นแต่สุริยภาพนั้นรากของสุริยภาพอยู่ในหัวใจมนุษย์และความเดิมแท้ในธรรมชาติในความเป็นจริงในธรรมชาตินะครับข้อนี้เองที่นํามาสู่อข้อพินิษใ์ไข้ครวนที่ว่าท่านอาจารย์มีความรู้สึกต่อพุทธรูปอย่างมากมายซึ่งกลับกับที่คนทั่วไปรู้นะคร คนทั่ไปเข้าใจว่าท่านอาจารย์แอนตี้พุทธลูปถือเป็นรูปเคารพแต่โดยความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับคือท่านแอนตี้การกระทําต่อพระพุทธรูปอย่างรูปเคารบแต่ท่านไม่ได้แอนตี้พุทธลูปเลยตรงกันข้ามเคยนั่งพินิษฐิเคราะห์ความงามแล้วพัลนาความหลังนั้นให้ผมฟังเป็นวักเป็นเวนต่อความงามโดยเฉพาะโอโรกิเตสวนนะครับท่านถือว่าความงามที่สรรสร้างให้ออกมาเป็นรูปธรรมนั้น ออกมาจากดวงจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องออกมาจากศรัทธาอันมากมายนะครับเมื่อหลายปีก่อนผมเคยไปสัมมนาที่ไต้หวันว่าด้วยพระพุทธรูปแต่นี้ฝรั่งมังค่าก็เริ่มพูดกันขึ้นทางๆเขาก็ใช่ชาวพุทธพูดกันว่าปริมากรรมพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลกคือพระพุทธสินราชมันน่าประหลาดนะครับตรงที่ชาวต่างชาติ ผมเองเคยเจอชาวต่างชาติคนหนึ่งเป็นปฏิมากรหญิงเธอไม่ใช่สาวฟุธแต่ก็ได้รับเสียนุพุทธรูปเสียนจริงเลยแต่ปลองกันไปเยื่อยนะครับไปเป็นแบบอย่างแล้วเธอพยายามที่จะปั้นคลอยตามแล้วเธอเล่าว่าได้พบพลังของความสงบอย่างแปลกประหลาดพระพักร์พุทธรูปนั้นสําคัญมากครับในบทกล่อมน้องกล่อมลูกของปักต้าเมียนหนึ่งที่พรลนาความว่า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 ชาวบ้านแถวนั้นเมื่อขึ้นแห้งขึ้นแรงหมายความว่าหมดฤดูทำนาเก็บเกี่ยวแล้วก็เดินทางเกาะก็เป็นกลุ่มพกข้าวพกข้าวฟอไปไปนั่งดูพระทำไมสิ่งนี้จึงเกิดเป็นอุเทณีขึ้นมาครับพระพักพุทธรูปที่นายช่างผู้เลอเลิศนะฮะผู้มีดวงจิตจะอาจจะอ้านสรรสร้างขึ้นมันเป็นิมิตที่ปราณีดังนั้นเมื่อมองพระพักพุทธรูปแล้วนะครับจิตใจเราจะเกิด ประสานกันกับล่องรอยฝีมือและน้ำใจของศิลปินที่สร้างวา้เราอาจจะเทียบได้กับเด็กๆ เ, เขาดูหน้าแม่อารมณ์เขาจะอุดหงิดใจดีเขาก็ดูที่หน้าของแม่ถ้านามมารดาเขาแสดงออกอุดหงิดเขาเริ่มเรียนดวงจิตนั้นเรียนรู้ได้ทุกขณะเมื่อเข้าไปสัมผัสกับสิ่งที่มันสัมผัสก็เริ่มเจริญขึ้นไม่ว่าในทางเสื่อม ในทางผิดปกติหรือในทางที่ดี้นเรื่อยๆพระพุทธรูปที่งดงามและมีปริมาณจำนวนมากที่สุดในโลกนี้นะอยู่ที่ปรเทศเราครับสิ่งเหล่ า, าลนั้นไม่ใช่รูปเคารพแต่เป็นวัตถุที่ตั้งของที่จะทำให้ดวงจิตได้ฝึกปรือเมื่อนั่งดูพรปพัก พ, พุทธรูปเราเห็นความงามมันล้ำเลิศนั่นไม่ใช่ความสวย ว่าช่วงหลังนะี่พุทธรูปก็แปลเปลี่ยนไปเราพบว่าต้นรัตนโกสินรเนี่ยพุทธรูปมีลักษณะเป็นตุกตามากขึ้ น, นผมจะเล่าถึงอารมณ์สุนทรีของท่านอาาร์ต่อเรื่องปากเขาลำน้งไม้ด้วยนะครับคราวหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านอยากให้ผมเรียนภาษาบาลี นะพอเมื่อผมออกบวชนั้นผมปฏิเสธที่จะเรียนหนังสือทุกชนิดเพราะได้ยินท่านอาจารย์ด่าว่ายิ่งเรียนหางยิ่งยาวหางยิ่งยาวก็รู้สึกคล้อยตามว่ามันนาา่าขยันขยงจริงที่จริงคิดตัวเองนะฮะที่จะไป ม, มีความรู้อะไรเข้าก็เลยไม่ไม่อยากแตะอะไรทั้งนั้นเอวันหนึ่งท่านเรียกผมไปชวนคุยในเรื่องความงามของป่าอท่านแนะผมว่าคุณลองไปเปิดเทร ะ, เ ท, ะเทลีกรถาดู ในนั้นจะมีถ้อยคําซึ่งพระอรหันต์ั้ก็ดีเนี่ยภาลนาเึงความงดงามไว้อย่างเลยแล้ผมไม่สู้สนใจเท่าไหร่นักแต่ก็เปิดอ่านเสร็จแล้วก็มาเล่าความรู้สึกให้ฉันฟังว่าโอ้ทําไมมันไพเราะถึงขนาดนี้เพราะผมก็ใส่ใจในชั้นเชิงของกวีนิพนธ์อยู่บ้างนะฮะท่านก็พูดดักคอว่าที่คุณรู้สึกนั่นคุณอ่านภาษาไทยนะถ้าคุณรู้บาลีเลยคุณนั่งไม่ติดเลยนะเพราะงั้นคุณต้องเข้าป่าทันที ผงก็ได้เขาก็เริ่มเรียนบาลีครับอยากจะเสพลดของสุนทรียภาพสิ่งอนนี้ผมคิดว่ามันมันมีบทบาทไม่ใช่น้อยครับในการจูงใจตามจริตนิสยัยตามสันดาณของแต่ละคนครับผมจะอ่านให้ท่านฟังนะครับถึงความงดงามของเทร ะ, ระเทรีกถาซึ่งพระเทระและเทรีคือพระเทระผูะะ้หญิงนะี่ที่เข้าถึงอารมณ์สุนทรีอย่างบริสุทธ พัรนาความไวอาจารย์แสงอรุณนรัตตะศิกรนะครับเคยไปแกล่งพักหนึ่งผู้ที่อยู่ในโลกของศิลปะหรือสุนทรีนั้นจะพบว่าสุนทรีที่บริสุทธิ์นั้นคือสิ่งที่พาลนาถึงสภาวะธรรมดั้งเดิมนะคมีสำคัญมากครับผมจะลองอ่านให้ฟังนะครับว่าักบางตอนสั้นๆครับ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 เราผู้เดียวเป็นผู้ชำนาญในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากเข้าไปสู่ป่าใหญ่อันทำให้เกิดปิติแก่พระโยาคาวจอนน่ารื่นรมเป็นที่อยู่ของโขลงช้างทรัพมันเราผู้เดียวจักสาส น, า, นายในซอกเขาอันเยืดเย็นในป่ามีดอกไม้บานสะพรั่งจักจงกรมให้เป็นที่สำราญใจเมื่อไร่นอเราจึงจักได้อยู่ป่าใหญ่อันน่ารื่นรมแต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองจักเป็นผู้ทากิจสำเร็จ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 ในถ้มที่เงื้อมเขาซึ่งดารดาดด้วยดอกโกสมปฐุมาลมีภาคพื้นลมันียสถานเยือดเย็นอันมีอยู่ในป่าใหญ่นั้นเป็นแน่เรามีความนาริตอันเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเป็นผู้สิ้นอาสวะทั้นปวงแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีจริงดังนั้นนะครับเมื่อเราอ่านแล้วเรารู้สึกถึงแรงกระตุ้นจูงใจให้เราเข้าหาธรรมชาติเดิมแท้ โลกที่พบหรือโลกธรรมชาติที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นนิวาสถานเดิมของเราแต่หลังจากที่สังคมเมืองพัฒนาขึ้นเราเรียกตัวเราได้เราหลงทางในเมืองเมืองก็เกิดกาแพงที่กั้นผู้คนให้ห่างจากป่าเพราะฉะนั้นเองวิกธิการของเมืองก็ปรากฏขึ้นเมื่อเราสูญเสียสูนทรยภาพ บริสุทธิ์ดั้งเดิมของของป่าเขาเรืองนองไม้ศิลิปินต้องสร้างศิล ป, ปะขึ้นเพื่อชดเชยดังนั้นเป็นสูนทรภาพอีกแบบหนึง่งไม่ใช่สูนทรภาพที่แนบแน่นอยู่กับความจริงความสะอาดความบริสุทธิ์ครั้นเมื่อผมเริ่มเรียนเล่าเรื่องตัวเองเหมือนกับว่าเป็นศูนย์กลางนะครับแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นะเมื่อผมเริ่มเรียนบาลีเมื่อเข้าผมพลไม่ไหวผมไปลาท่านจะเข้าป่า ท่านก็เห็นดีด้วยแต่ท่านบอกว่าถ้าคุณเกิดความรู้ในป่าในที่สุดคุณก็จะชักจูงคนเข้าป่าแต่ถ้าคุณเกิดความรู้ในเมืองคุณจะช่วยคนในเมืองได้มากสังเกตดูนะฮะท่านต้องการให้เราริ้มรสอะไรบางสิ่งแต่ไม่ให้เราไม่ให้เราเติร์ดไปในสิ่งที่ประโยชน์น้อยนี่คือสิ่งที่ผมใคมิ่จะมีคุณส่วนในการรับรู้นะฮะ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 เมื่อประมาณปลายศตวรรษที่สิบเจดนักบุญของตนตกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบุญชาวอิตาเลียนอยู่เซนต์ฟลอนซิสของอตซซซึ่งเป็นเกาะที่งดงามเหมือนหนสูงสวรรค์นักบุญผู้นี้ได้นำเอาปรัชญาของอริสโตเติลที่ว่าด้วยสภาวธรรมคือปรัชญาของอริสโตเติลนั้นไม่เหมือนของเปลโตหรือของคนอื่น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 จากแนวอิทธิพลคำสอนนี้ทำให้ศิลปินอิตาเลียนคนหนึ่งเป็นผู้นำที่ชื่อจอรโต้เริ่มวาดรูปมีมิติที่ภาษาทางศิลปะเขาเรียก p ป r s p e c t ก v e ก่อนหน้านั้นวาดแบนๆคล้ายๆตัวหนอกจอร์โต้ก็เริ่มวาดให้มีความลึกขึ้นมาพั้งสแสดงคาสอนในเรื่องธรรมชาติซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์เป็นการสแสดงออก ของพระวรกายขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครได้มีอิทธิพลอย่างสูงในตะวันตกสําหรับท่านอาจารย์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกมองจากความใกล้ชิดของธรรมชาติของข้อมูลใหม่ๆนั้นนะฮะท่านตั้งคําถามคําถามหนึ่งว่าคุณคิดว่าต้นไม้ในสวนโมกเต้นระเบำในฤดูไหนหลังจากผ่านไปหนึ่งปีผมไม่ได้สังเกตเลยครับการสังเกตธรรมชาตินี่ผมถือว่าเป็นแก่นสารสาระมากๆ การที่พเจ้าออกบวชเร่ร่อนไปในที่ต่างๆนั้นมีสาระมากๆนะครับผมจะลองลำดับดูนะครับว่าเมื่อพระเจ้าเห็นเทวทูตแล้วโน้มบัณไทที่จะออกบวชนะการตัดสินใจจากชีวิตยิ่งเจ้าชายออกมาเป็นวันิพกนะครับพ่อแม่ทั้งพนานางมาตุษานะครับหรือพ่อหรือผู้ที่บำรุงบำเรลท่านอยู่ แสดงความไม่เข้าใจครับในภาพหินสลักโบราณจะแสดงภาพสาวสนมกำนันในบิดามันดาร้องไห้เมื่อพระเจ้าเสด็จออกบวนเปลี่ยนชีวิตเยี่ยงเจ้าชายเป็นวันนิพกแต่ว่ามีประชาชนผู้ยากไร้เข้าใจดีตรงนี้สำคัญมากนะต้องทำความรู้จักกับบทบาทและการตัดสินใจหักเลี้ยวของหลวงท่านให้ดีซึ่งต่อมานี่จะมาแนบแน่นที่ใต้ต้นโพในคืนที่จะสัสรู้นะ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 กิจชาชนยังนบไหวยังกล่าวกรานยังสดุดีท่านท่านยังไม่ว้าเหวไม่โด ด, โ ด, ดเดี่ยวนะฮแม้โดดเดี่ยวจากญาติพี่น้องโดดเดี่ยวจากฤาษีที่มีวัฒธรรมเข้าชาญแต่ก็ไม่ได้โดดเดี่ยวในหมู่ทรมานตนเะฮะแต่ท่านเื่อท่านได้นิมิตเรื่องเออ่สายพินที่ตึงเกินไปและหย่อนเกินไปแล้วเนมะื่อท่านกลับใจมาฉันเข้าวของนางสุจดา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 ไม่มีใครเข้าใจแม้แต่คนเดียวครับคิดดูนะฮะลองคิดดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับดวงจิตที่เราเปรียวเดียวดายไม่มีใครไหวไม่มีใครนับถือเพราะไม่มีพื้นฐานวัฒธรรมรองรับอยู่เลยในพระสูตรเล่าว่าท่านเร่ร่อนไปที่ที่สถานที่รู้เวลาเสนานิคมนะฮะที่สถานที่ที่จับจุด ถาเล่าวันในประสูตรว่าเพราะที่นั่นมีภูมิภาคอันรื่นรมพระเจ้าไม่มีที่อิงที่เพื่ออีกเลยครับนอกจากธรรมชาติที่งดงามที่นั่นมีน้ำล้นฝั่งอีกาก้มลงจิกเออดื่มน้ำได้นี่คือศิดดดอนนอลุศิลป์ศิลป์ศิลป์ศวลป์ศิลปีศิลป์ศิลปมศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศนลป์ศิลก์ศิลป์ศิดป์ศิ่ป์ศิลใ์ศิงป์ศิลป์ศิลป์ศิลริลปเศิลป์ศิลป์ของกระแสปานของอารมณ์ ที่เลี้ยวข้ามลําน้ําทวนกระแสนึกออกไหมฮะที่ก็สร้างเป็นสัญลักษณ์ลอยถาดหลังจากฉันทหารแล้วรอยถาดถาดก็ทวนกระแสแล้วถาดนั้นจะจมดิ่งลงสู่หน้ากระพิภพคือบาดาลสิ่งอ่า น, นี้เป็นสัญลักษณ์ครับที่จะบอกเราว่าตลอดหกปีที่พระเจ้าปฏิบัติในแนวทางอื่นนั้นท่านเห็นความผิดพลาดของท่านเองอยู่อย่างไรหกปีที่ผ่านไปนั้นท่านคล้อยตามอาลงเข้าไปในอารมณ์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 ถูกนำไปฝากไวไห้หมายความว่าคนที่จะเปิดเผยความลี้ลับลึกซึ้งคำพีได้ต้องเป็นระดับนาคราชพญานาคราชผมเรียกว่านาคกัปติยาคัปติยาชั้นลุ่มลึกไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับผู้ที่มีเข้าใจสัญลักษณ์ของจีนก็ใช้คำว่าเล่งอองแทนได้ครับต้องเป็นถึงขนาดเล่งที่ผมเล่ามานี่เพื่อจะเห็นนะครับว่า ในทํากลางของของความโดดเดี่ยวทุกทรมานนะรัพระพเจ้าได้หันไปสัมผัสความงดงามธรรมชาติเป็นเป็นประเดิมแล้วลุ่มลึกเข้าสู่กระแสฐานอารมณ์ภายในด้วยเหตุ น, นี้เองนะครับเมื่อท่านข้ามลำน้ำนั้นแล้วภายในคืนเดียวท่านก็เริ่มภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคือ ภารกิจในการทวนกระแสเมื่อนคือเริ่มเจริญวิปัสนาอันปเป็นเหตุให้ภายหลังท่านบอกว่าท่านไม่เคยได้ยินสิ่งที่มาก่อนเล ย, เยการกะทำเช่นนี้ไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีแต่เรื่องสมถะการเข้าชาระดับนั้นระดับนี้มาเรื่อยๆ ตอนนี้ผมก็มีในเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับซึ่งผมได้ขึ้นตื่นต่อถ้อยคำง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอาจารย์สุโมกมีซ้ำในรูปหนึ่งเป็นชาวจันทกุรีครับซึ่งเธอเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ไม่กล้าแสดงอารมณ์ต่อหน้าผู้ใหญ่ผมสังเกต ด, ดูท่านอาจารย์ท่านย้าแย่ให้หัวเลาะแล้วท่านผมจะยินนันถามว่าคุณร้องเพลงเปหรือเปล่า เน้นอันั้นก็แได้ได่ยิ้มยิ้มต้องถ้าคุร้องเพลงไม่เป็นคุณจะรู้ธรรมะได้อย่างไรซึ่งผมแปลกใจมากคับเพราะว่าทราบกันดีว่าในศีลต่างๆแล้วมีเรื่องไอ้ร้องทำทำเพลงมันผิดศีลไม่ว่าเนรหรือพระหรืออุบาสิกาที่ถือศีแลแปดนะครซึ่งประเด็นนี้ผมสะดุดแล้วก็เริ่มคิดว่ามันคืออะไรมันมีความหมายอย่างไรลุ่มลึกอย่างไรผมไม่เชื่อว่าท่านจะพูดเล่นเพียงเพื่อให้โจ๊กเล่นนะเอับสิ่งนี้คงเนื่อกับ ความคลี่คลายและกลมคลืนของอารมณ์แนะท้ที่จริงนั้นบทสวดมนต์นั้คือเพลงครับอังคังธรรมามรามโตเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเราเราฟังเราเรียกว่าบทสวดมนต์นนั่นเองที่จริงเป็นเพลงในช่วงทํานองทีเดียวครับอถ้าเราไปที่อินเดียหรือลังกาแล้วพบว่าบทสวดอันเดียวกันนั้นเปลี่ยนทํานองไปแล้วเรารู้สึกฟังดีครับแปล ก, ปลกนั้นเป็นเป็นสิ่งแปลกที่ผมผมได้สัมผัสในช่วงนั้นนะคร วันหนึ่งนะครับนี้อาจจะเรื่องโชคนิดหน่อยอปกติเมื่อถึงหน้าแรงบริเวณรอบๆสวนโมกนะครับซึ่งเป็นพื้นป่าต่อเนื่องยาวละเียดไปสู่เขาเพลาเขาเพลานี่เป็นเขาที่ค่อนข้างลี้ลับและมีชนบางเผา่าซึ่งพูดสำเนียงกึ่งปากใต้กึ่งกึ่งภาษาคนคน่าหายอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ ถ้าเราใหผมฟังผมก็อยากดูท่านบอกมีชนกลุ่มหนึ่งเรียกที่ปุยพราะคนเหล่านั้นหลบอยู่ในป่าที่มีแสงลํำไยเนื่องจากป่าทึบมากจนเมื่อมือลูกตัวนี้จะเกิดฟุขุยฟุ้งขึ้นมาแล้วก็เรียกวคนที่ปุยเมื่อท่านพูดอย่างนี้ผมก็ชักอยากรู้อยากเห็นเพราะหลายครั้งที่คือท่านอาจารย์มีมีวิธีที่จะตกแต่งปฏิมากรรมของท่านท่านว่างนั้นเนี่ย บางทีก็ปลามันจะเรียนเลยถึงสือกันาเรียนไปแล้วหูหางยาแวแต่เดี๋ยวก็ยั่วยุด้วยตำราอะไรบางสิ่งให้เราใส่ใจผมก็จะเพื่อให้เราค้นหาสัดส่วนที่ปฏิปดีเพื่อจะศึกษาค้นคว้าต่อไปรู้จบเพราะว่าการศึา ม, มือนที่เราท่านทราบดีเนะีเป็นกระบวนการพัฒนาตลอดชีวิตแต่ว่าเราจะมีความรู้เพื่ออะไรนี่ประเด็นเพื่อตัวเองหรือเพื่อเสริมสร้างกิเลสตัณหาหรือเพื่อ อ, อำนาจวาสนาหรือว่าเพื่อพระศาสหา ในที่สุดเมื่อถูกการร้องนิรันเข้านะครับผมเองก็ค่อยๆประพริม์ประพายเขว่าค่อยๆสร้างสํานึกหิฏฐิโอตปาในการแสวงหาความรู้ทรัพย์สมบัติเพื่ออะไรเพื่อสั่งสมบา ร, รมีให้ถึงพระโพธิญาณและช่วยเสริมบา ร, รมีผู้อื่นหรือไม่นะอันนี้เป็นหิฏฐิโอตปาที่ผมเข้าจาาค่อนข้า ง, า ง, างละเอียดอ่อนการครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งน่าละอายสําหรับชาวพุทธนะครับ แต่เดี๋ยวนี้มักลับกันนะคำ บ, บารมีปลว่าเจ้าพ่อครับผู้ยิ่งใหญ่คมันมันกลับตลบัดกัไปเลยผมก็เห็นชาวบ้านนะครับละอายที่จะบอกคนเนี้เป็นเมียของเขาก็เรียกแม่อีหนูวันนึงแม่หนูมันคล้ายกระแสค่านิยมหลักที่ว่าการครอบครองไม่ว่าที่ดินทรัพย์ภรรยาบุตรเป็นสิ่งที่ไม่ไม่พึงนํามาอวดกันแต่ปัจจุบันนิ้งเปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในโลกตอนตก คือพยายามแสดงออกดความสาเร็จในชีวิตคู่กันมากทั้งๆจริงๆมันคือหายนะก็มีเฮมิงเวย์เคยเล่าเรื่องสั้นไว้เรื่องหนึ่งนะว่าในรถไฟขบวนหนึ่งมีเพื่อนนักเรียนร่วมรุ่นกันสองคู่คือทั้งสี่คนนี่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแต่นั่งมาคนละตู้กรทงเวลาอาหารก็ไปเจอกันก็สแสดงออกเพื่อจะตกตากันว่าตัวเองประสบความสาเร็จในชีวิตคู่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 ส่วนโมกนั้เมันป่าพื้นเดียวนะฮะน้นจะลาไม่หยุดได้มันเป็นหน้าแรงด้วยผมก็วิง่งเค ล, ลื่อนทลาไปหาท่านหมอว่าท่านอาจารย์ครับไฟไหม้เขานันเงเอผมคิดว่าท่านจะตกใจตื่นเต้นรีบมาดูแล้วก็สั่งพระให้ไปดับป ร, กรากรว่าท่านค่อยค่อยลุกขึ้นช้าแล้วไขกุญแจตู้หยิบกล้องส่องทางไกลมาก็าางงาเดินไปแล้วก็ส่องดูแล้วท่านทันมาบอกอง เมันก็สวยดีนะเพราะผมรู้สึกมันเป็นทางกับความรู้สึกผมอยู่ตลอดเป็ทาคือไอ้สิ่งที่เราตื่นเตน้นตนท่านบอกสวยดีนะอะไรเหล่านี้นะครับผมคิดว่านี่เป็นอาจจะเป็นนิสัยที่เป็นครูของท่านและเป็นครูชั้นสูงอพี่ผมว่าเป็นครูชั้นสูงก็คือลงเล่นเกมด้วยครับคือเข้าไปฝึกปรือกันแต่ว่าครูที่นั่งนบนธรรมะสอนอีกเรื่องหนึ่งนะ ไม่ไม่เล่นด้วยอะไรเี้หลายครั้งที่ท่านเข้าใจว่าผมเป็นคนมีจิตใจเศร้าโศกที่จริงเงินผมกลัวท่านผมไม่กล้ายิ้มไม่กล้ากันหรอท่านคงเข้าใจว่าผมมีจิตใจที่ผิดปกติเศร้าโศกพี่ชายผมจะเล่าเรื่องประเถนในยาซีผมฟังเพื่อจะให้ผมวระ แ, แล้วผมกลับลิ้นอยู่ไม่เข้ากันหรอกท่านเึกถาคุณไม่เข้าใจเลยเรื่องที่ผมเล่าคุณไม่เข้าใจมุกของมันเลย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 เราจะไม่เข้าใจว่าสิ่งอันนี้มันมันสัมพันธ์อย่างไรกับการพัฒนาอุเบกขาหรืออะไรนะเมื่อสมัยผมบวชเป็นไหม่ผมเล่าเรื่องบวชเหมือนกับสารภาพเบาอย่างนั้นครับเเพราะว่าที่จริงนั้นชีวิตของนักบวชนี่ยนับว่าประเสริฐแท้ครับเป็นชีวิตที่เบียดเบียนน้อยและเต็มเปี่ยมไปด้วยสุนตรภาพชีวิตเราอย่างเราเป็นโยมนะฮะเรียกว่าเป็นขลุ่ยานี่เป็นชีวิตที่เราต้องฝันฝ่นฝาต่อสู้ ทางนั้นกันดาน